อย่างที่พระเจ้ามิลินไปสนทนากับพระนาคเสนพระเจ้ามิลินถามว่าพระคุณเจ้าชื่ออะไรท่านบอกว่าเพื่อนพรหมจารีเรียกอาตมาว่าพระนาคเสนอะไรคือนาคเสนพระเจ้ามิลินถามผมหรือขนหรือก็ไล่เรื่อยไปไม่ใช่พระนาคเสนก็ถามย้อนว่ามหาบาพิษเสด็จมาด้วยอะไรก็มาด้วยรถพระคุณเจ้า อะไรคือรถล้อมันหรืองอนมันหรือถามไล่ไปทีไะอย่างพระเจ้ามิลินก็เรียนว่าไม่ใช่สักอย่างแต่ว่ามันรวมกันทั้งหมดแล้วเราสมมุติเรียกว่ารถคือพอเราเจาะสมมุติออกไปเราก็จะเห็นปรมัตดเห็นของแท้ของจริงสมมุติมันหุ้มมันห่อเอาไว้อย่างว่าพันเอกถามดูว่าอะไรคือพันเอกเสื้อหรือดาวหรือ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 พวกนิทานก็เหมือนประเภทวรรณคดีที่สอนให้เรารู้ว่าเราควรได้รับรสสิ่งนั้นได้อย่างไรลงท้ายที่บอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือรสของนิทานจะเป็นชา ด, ดกนิทานต่างๆหรือเรื่องที่เล่ากันพิลึกกึ่งๆที่เราเอามาเถียงกันอยู่จริงหรือไม่จริงนิทานในชา ด, ดกเช่นนกพูดได้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 ในเนื้อเรื่องก็สอนเราให้เป็นคนดีเสียสละแล้วก็สรุปว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าส่วนของจริยธรรมวินัยอุดมคติสอนให้เรารู้ว่าควรจะทำอย่างไรเช่นทำไมพระต้องโกนศีษะความจริงผมมีประโยชน์ในการรักษาศีสะธรรมชาติให้มาทำไมพระโกนเสีย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 การหลงเข้าใจผิดนี้ท่านเรียกว่าวิปลาศสีความสำคัญผิดท่านเรียกว่าสัญญาวิปลาศความคิดผิดเรียกจิตตวิปลาศความเห็นผิดเรียกว่าทิฏฐิวิปลาศทั้งหมดนี้เป็นคไวัยพน์ของวิปลาสวิปลาศมีในสีเรื่องคือหนึ่งในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 3. ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา 4. ในสิ่งที่ไม่งามว่างามวิปัาสนี้ีทำให้เข้าไม่ถึงวิปัสนามันต้องถอนพวกนี้ออกจึงจะเข้าถึงวิปัสนาได้การทำวิปัสนาเบื้องต้นถ้าเห็นว่าอนัตตาเป็นอัตตามันก็ผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วเห็นขันหเป็นอัตต ก, ก็หมดแล้ว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 แต่ปุถุชนเห็นว่าเป็นทุกข์ทำได้ยากในสิ่งที่ไม่งามว่างามอันนี้ก็ยิ่งสวนทางกันใหญ่เราปุถุชนกับพระอริยะก็เห็นไม่เหมือนกันอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือรูปธรรมนา ม, มาธรรมนั่นเองสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดรวมลงก็เป็นสองคือรูปธรรมกับนา ม, มาธรรม สิ่งที่อยู่ในวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรู ป, ปรธรรมสิ่งที่อยู่ในวิสัยของใจก็เป็นนามรธรรมสมมุติเอาขันห้ามาตั้งรูปก็เป็นรูปหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามรธรรมสจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหมดเลยเพราะมันมีอะไรบ้างที่พ้นไปจากวิสัยของ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 ในที่นี้จะยกมาเพียงบางเรื่องบางประการหมวดที่หนึ่งอปันนกกปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้สาประการเราได้ยินกันโดยทั่วกันแต่ปฏิบัติจริงนี่ทำยาก1อินซียสังวร2โภชเนมัตตัญุตา3ชาคัริยานุโยก1อินซียสังวรการสํารวมอินรีหก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 พอเห็นอะไรเราจะเกิดสามอารมณ์คือหนึ่งอยากได้ 2. โทม น, นัสความเสียใจความไม่อยากได้ความไม่พอใจ 3. เฉยเฉยเราพยายามระวังไม่ให้เสียงเหล่านี้เกิดขึ้นให้สักแต่ว่าคือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นก็ดี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 โลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเกิดขึ้นริษยาบ้างพลอยตามในเรื่องนั้นไปเข้าไปอยู่ในดงของกิเลสด้วยอย่างนี้ก็ไม่ควรดูอย่างดูละครติดเลยไปไหนไม่ได้อย่างนี้อภิ ช, ชาครอบงําแล้วไปพลอยดีใจเสียใจกับเขาด้วยแต่ถ้าดูแล้วได้ธรรมสังเวชไปดูกิเลสว่าโลภะเป็นอย่างนี้หนอ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 ในขณะที่นางงามที่สุดประจําแคว้นที่เรียกว่าชนบทกัลยานีกำลังร่ายรำอย่างสง่างามชดช้อยคนทั้งหลายกำลังโ吼ร้องโบกผ้าไปมาด้วยความรื่นเริงเต็มที่พระราชาก็รับสั่งให้บุรุษผู้หนึ่งประคองหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันงาเต็มเปี่ยมมีเพชชะฆ่าถือดาบตามหลัง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 และตรัสเล่าถึงเรื่องในอดีตว่าพระโพธิสัตว์เป็นพระราชโอรสองค์เล็กที่สุดในจำนวนร้อยพระองค์และมีพระราชดำริว่าคงไม่มีโอกาสครองราชสมบัติในนครนี้แต่ก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าหลายองค์ที่มาอยู่ที่นั่นวันหนึ่งพระราชกุมารก็ได้ถามพระปัจเจกพุทธเจ้าถึงข้อสงสัยว่ามีโอกาสได้ครองราชสมบัติไหม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 อย่าลหลงไหลต่อความยั่วยวนของยักษ์ซีนีพระโพธิสัตว์ก็รับคําของพระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จออกเดินทางไปนครตากศิลาพร้อมด้วยบริวารห้าคนจริงเหมือนพระปัจเจกับพุทธเจ้าบอกเอาไว้พวกยักษ์ซีนีก็เยอะระหว่างทางในป่าก็แปลงตัวมาเป็นสาวน้อยสวยงามมานั่งอ่อยอยู่สวยมากบริวารของพระโพธิสัตว์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 เหลือพระโพธิสัตว์คนเดียวก็ใจแข็งไม่ยอมแวะไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของยักษินีก็ไปถึงเมืองตักกะศีลายักษินีก็แปลงตัวเป็นคนสวยงามเดินตามไปคนทั้งหลายก็ถามว่าผู้ชายที่ท่านเดินตามเป็นอะไรกับท่านยักษินีก็บอกว่าเป็นสามีพระโพธิสัตว์ได้ยิงก็บอกว่าไม่ใช่รอเขาเป็นยักษินีเขาไม่ได้เป็นภรรยาของข้าพเจ้ายักษินีก็บอกว่า ผู้ชายก็มักจะเป็นอย่างนี้ถ้าเขาโกรธพันรายาเขาก็จะว่าพรรยาเป็นยักษินีคนทั้งหลายก็เห็นใจผู้หญิงว่าอุตสาเดินตามสามีมาก็อ้อนวอนพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าไม่ได้รอกเขาเป็นยักษิซนีเห็นใจด้วยไม่ได้จนไปพักที่ศาลาหน้าเมืองตากศิลาวันนั้นพระราชาของเมืองตกศิลาเสด็จออกเรียพระนครมาเห็นข้าวก็ถาม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 ทางแห่งความสิ้นอาสวะสำหรับผู้ที่ปราบเรื่องนี้ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมีพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่น่าสนใจเช่นว่าอินดริยานิมนุษย์สารังหิตายะอหิตายะจอริตานิอหิตายะรักิตานิหิตายะจะักรินทรีย์รของมนุษยะในโลยกนี้มีทะั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์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 ทั้งในการบริโภคและการแสวงหาในการแสวงหามาบริโภคก็ต้องไม่มีอเนสนาต้องแสวงหาได้โดยชอบธรรมโดยสุจริตถ้าเผื่อแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมไม่สุจริตท่านถือว่าบริโภคมี่คือถ้าเป็นผู้ทุศีนไม่มีคุณธรรมพอแล้วก็ไปรับอาหารของชาวบ้านเข้าพระนะครับก็ถือว่าเป็นการลักขโมยบริโภค และในการบริโภคนั้นถ้าไม่พิจารณาก็ถือว่าเป็นการบริโภคนี่สแสวงหาโดยไม่เป็นธรรมว่ายิ่งเป็นหนี้ใหญ่เท่ากับไปขโมยเข้ามาข้อที่สาชาคาริยานุโยกประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่ชาคาริยะแปลว่าตื่นอยู่อนุโยกก็แปลว่าประกอบคือประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่ บางทีก็ชาครูท่านเปรียบสติเหมือนแขกยามคือตื่นอยู่เป็นส่วนมากรับน้อยถ้าตามหลักของอปันนกะปฏิปทาในอปันนกาสูตรท่านให้นอนสีชั่วโมงในมัชิมยามสี่ทุ่มถึงตีสองกลางวันไม่นอนกลางคืนปฐมยามก็นั่งบ้างเดินจงกรมบ้างไปถึงปัจฉิมยามก็จงกรมบ้างนั่งบ้าง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 รู้ทางกลิ่นทางรสทางกายนี่นะครับใช้คําว่ามุเตมุตตมัตตังพวิสติดิเตดิธมัตตังสุเตสุตมัตตังมุเตมุตธมัตตังเห็นสักแต่ว่าเห็นมุตะนี่รู้ทางจมูกลิ้นกายมุตะนี่รู้สามทางวิญญาเตวิญญาตามัตตังอันนี้รู้ทางใจ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 ท่านพาหิยะก็เวียนไหวตายเกิดในชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นพาหิยะส่วนท่านจากคูบานก็คงเข้าปฏิปทาข้อที่หนึ่งทุกขาปฏิปฏาทาทันทาพิน ญ, ญาปฏิบัติยากรู้ก็ยากรู้ก็ช้าเข้าลักษณะนั้นก็มีสีพวกอย่างนี้แล้วแต่บุญบารมีว่าบำเพ็ญเพียรมาอย่างไรเช่นถ้าเรากลับไปดูไวายากรณ์แล้วจะรู้ได้เร็ว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 พระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบเหมือนเชือกที่ว่าบันตึงเกินไปหรือสายปิ่นที่ตึงเกินไปก็จะขาดถ้าหย่อนเกินไปก็จะไม่ดังมีพระรูปหนึ่งคือพระโสนะ โ, โกริวิสาท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกไปหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดกลัดว่าโสนะโกริวิสะเมื่อก่อนนี้เคยเป็นคนดีดปินใช่ไหมใช่พระเจ้าข่า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 นามรูปะปริชเฉทยานสมมติว่าเราได้ยินเสียงเพลงโสดประศาสนั้นเป็นรูปโสดประศาสรับเสียงเข้ามาสัมผัสกันนี่เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปโสตวิญญานคือความรู้ทางเสียงอันนี้เป็นนามกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอันนี้ก็เพื่อให้ละอัตตะสัญญา